เอาน่าอย่าซีเรียกเรื่องแค่เพียง ค, คิดชายสองคนเป็นเพื่อนรักกันมากทั้งคู่ ปรึกษาหารือกันจะไปทำไร่ทําสวนเลี้ยงสัตว์อันเป็นอาชีพเกษตรก็ไปจับจองซื้อที่แห่งหนึ่งอันเป็นป่าอุดมสมบูรณ์และมานั่งคุยกันจะทำอย่างไรดีคนที่หนึ่งพูดว่าเฮ้เพื่อนคิดจะทำอะไรล่ะเพื่อนคนที่สองก็พูดว่าฉันคิดว่าปลูกถั่วทุกช น, นิดเช่น ถั่วฝักยาวถั่วเขียวถั่วเหลืองเพราะจะเป็นการบำรุงดินก่อนด้วยแล้วเพื่อนละ่ะจะทําอะไรคนที่หนึ่งตอบว่าฉันคิดว่าเลี้ยงวัว ด, ดีกว่าเพราะการชอบสัตว์จะปลูกหญ้าและเลี้ยงวัว เ, เ, เอ้ไม่ถูกกระมังแกจะต้องทํารั้วกันวัวของแกเรื่องราวากันกันคนละเครึ่งก็ได้ ทั้งสองคนเถียงทะเลาะกันเพราะต่างคนก็ไม่ยอมลงทุนกั้นรัว้วแม้จะเป็นคนละครึ่งก็ไม่ยอมจนกระทั่งชายคนหนึ่งเดินมาทั้งสองจึงให้เป็นผู้ตัดสินให้ชายผู้ตัดสินพูดว่านี่ยังไม่ได้ลงมือทมกันเลยขนาดเพียงคิดเท่านั้นก็ทะเลาะกันเสียแล้ว ทั้งสองจึงได้คิด